11. เอกาทสัมวัคหนถึงติดโสปิอนุสิยกถา 106-108. ว่าด้วยอนุสัยสามเรื่องห0 5สกวาธีอนุสัยเป็นอัพยกริใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีอนุสัยเป็นอัพยกริฝ่ายวิบากอัพยกริฝ่ายกิริยาเป็นรูป เป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคานุสัยเป็นอัพยกฤตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกามราคะกามราคาปริยุทธฐานกามราคะสังโยชน์กามโมคะกามโยคะกามฉันทนิวรณ เป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคะกามราคาปริยุทธฐานกามฉันทนิวรเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปฏิคานุใสเป็นอัพยากฤตใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีปฏิฆะปฏิฆะปริยุทธานปฏิฆ ะ, imagine, ส, ะสังโยชนเป็นอัพยากฤิ Depression. ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปฏิฆะปฏิฆะปริยุทธานปฏิฆะสังโยชนเป็นอกุศลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีปฏิฆานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมประวาที ไม่ควกรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมานานุสัยเป็นอัพยกฤิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมานะมานะปริยุทธานมานะสังโยชนเป็นอัพยกฤิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมานะมานะปริยุทธานมานะสังโยชนเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีมานานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทิฏฐานุสัยเป็นอัพยา ก, ากฤาิ Victor, ยยธธชก minor, ใช่ไหมปรวาทีใช่ศักวาทีทิฏฐิทิฏโขคะทิฏฐโยคะทิฏฐิปริยุทธฐานทิฏฐิสังโยตเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีทิฐิทิโขคะทิทิโยคะทิฐิปรยุทธฐานทิฐิสังโยตเป็นอกุศลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีทิฐานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจานุสัยเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธฐานวิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉานิวร์เป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธฐานวิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉานิวร์เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิจิกิจฉานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภวะราคานุสัยเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีภวะราค์ภาวะราคะปริยุท ธ, ธานภวะราคะสังโยตเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีพรวาราคะพวราคะปริยุท ธ, ธานภวราคะสังโยชนเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีภวราคานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชานุสัยเป็นอัพยกฤิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชา อวิชโชคะอวิชชายคะอวิชชาปริยุทธานอวิชชาสังโยชนอวิชานิวรเป็นอภยกากฤรใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชชาอวิชโชคะอวิชชายคะอวิชชาปริยุทธานอวิชชาสังโยชนอวิชานิวรนเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที อวิชานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยหปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอนุสัยเป็นอัพยกฤิษใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤิษเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีอนุสัยใช่ไหมสกวาที ใช่ปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมาประชุมกันได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นอนุสัยจึงเป็นอัพยากฤิตปรวาทีปุตชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีราคะใช่ไหมสกวาที ใช่ปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมาประชุมกันได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นปราคะจึงเป็นอัพยากฤ้อยเจสกวาทีอนุสัยเป็นอเหตุตุกะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนุสัยเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะ เป็นโพ ธ, ธิภายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีกามราคานุสัยเป็นอเหตุุกะใช่ไหมปรวาทีใช่ั ก, กวาทีกามราคะกามราคะปริยุท ธ, ธานกามราคะสังโยชนามชันทนิวรเป็นอเหตุุกะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีกามราคะกามราคะปริยุทธฐานกามฉันทนิวรนเป็นสเสหตุกะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคานุสัยเป็นสเสหตุกะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัย เพรา ะ, ะราคานุสัยอวิชชานุสัยเป็นอเหตุกะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชาอาวิชโชคะอวิชชา ย, ยคะอวิชชาปรยุท ธ, ธานอาวิชชาสังโยตอวิชนานิวรเป็นอเหตุุกะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชชา อวิชโชคะอวิชานิวรเป็นสเสหตุกะใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีอวิชานุสัยเป็นสเสหตุกะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกรปดปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอนุสัยเป็นอเหตตุกะใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาที ปุุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีอนุสัยใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาทีอนุสัยเป็นเหตุตุกะโดยเหตุนั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปราวาทีดังนั้นอ น, อนุสัยจึงเป็นอเหตุกะปราวาทีปุุชน เมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤิเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีราคะใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาทีราคะเป็นสเหตุกะโดยเหตุนั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปราวาทีดังนั้นราคะจึงเป็นอเหิตุกะหกรกสกวาทีอนุสัย วิปปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนุสัยเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักรายัตนะเป็นโพธพาญาณะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคานุสัยวิปปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคะกามราคะปริยุทธฐาน กามราคะสังโยชน์กาโมคะกามโยคะกามฉันทนิวรวิปยุจจากจิตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคะกามราคะปริยุทธฐานกามฉันทนิวรสัมปยุจด้วยจิตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกามราคานุษย์ใสสัมปยุจด้วยจิตใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น6กร้ักวาทีกามราคานุษใสวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีกามราคานุสใสนับเนื่องในขันไหนปรวาทีนับเนื่องในสังขารขันสักวาทีสังขารขันวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีสังขารขันวิปยุตจากจิตใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีเวทนาขันสัญญาขันวิปยุตจากจิตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีกามราคานุสัยนับเรื่องในสังขารขันแต่วิปยุตจาก จ, จิตใช่ไหมประวาทีใช่ สกาวาทีกามราคะนับเนื่องในสังขารขันแต่วิปยุตจากจิตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีกามราคะนับเ네นื่องในสังขารขันสัมป ย, ยุตด้วยจิตใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีกามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขันสัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีกามราคานุส hmm. yes. mm ัย hmm. น yeah. ับเนื mm ่องในสังขารขันแต่วิปยุจจากจิตส่วนกามราคะนับเนื่องในสังขารขันและสัมบยุจด้วยจิตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีสังขารขันส่วนหนึ่งสัมบยุจด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุจจากจิตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีสังขารขันส่วนหนึ่งสัมบยุจด้วยจิต อีกส่วนหนึ่งวิปปยุตจากจิตใช่ไหมปารวาทีใช่สก ว, กวาทีเวทนาขันสัญญาขันส่วนหนึ่งสัมปยุตได้จิตอีกส่วนหนึ่งวิปปยุตจากจิตใช่ไหมปารวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น611้ 11, สก ว, กวาทีปฏิคานุสัยค า, านุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยภวะราคานุสัยอวิชานุสัย วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชาอวิชโชคะอวิชชาโยคะอวิชานิวรณ์วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชชาอวิชโชคะอวิชชาโยคะอวิชานิวรณสัมพยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีอวิชานุสัยสัมปยุตได้จิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น612้อยสิกวาทีอวิชานุสัยวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชานุสัยนับเนื่องในขันไหนปรวาทีนับเนื่องในสังขารขัน สกวาธีสังขารขันวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาธีสังขารขันวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีเวทนาขันสัญญาขันวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชานุสัยนับเรื่องในสังขารขันแต่วิปยุตจากจิตใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีอวิชานับเนื่องในสังขารขันแต่วิปปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชานับเนื่องในสังขารขันตัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกกวาทีอวิชานุสัยนับเนื่องในสังขารขันตัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีอวิชานุสัยนับเรื่องในสังขารขันแต่วิปยุตจากจิตส่วนอวิชานับเรื่องในสังขารขันและสัมปยุติ้ด้วยจิตใช่ไหมปราวาทีใช่ศักาวาทีสังขารขันส่วนหนึ่งสัมปยุติ้ด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุตจากจิตใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีสังขารขันส่วนหนึ่งสัมปยุติ้ด้วยจิต อีกส่วนหนึ่งวิปปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีเวทนาขันสัญญาขันส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น613ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอนุสัยวิปปยุตจากจิตใช่ไหมสกาวาทีใช่ปรวาที ปุทชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอพยญากฤิเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีอนุสัยใช่ไหมั ก, กวาทีใช่ปรวาทีอนุสัยสัมปยุทธิจิตนั้นใช่ไหมั ก, กวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้น อ, นอนุสัยจึงวิปยุทธจากจิตปรวาทีพุทธชน เมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีราคะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีร า, าทราคะสัมปยุทธ์ ด, ด้วยจิตนั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปราวาทีดังนั้นราคะจึงวิปยุทธจากจิตติดโสปิดอนุสยกถา สยานกถา109ว่าด้วยยาน614้อยส ก, กวาธีพระอริยบุคคลเมื่อความไม่รู้ปราดไปแล้วเมื่อจิตที่วิปยุจจากยานเป็นไปอยู่ท่านไม่ยอมรับว่ามียานใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาธีพระอริยบุคคลเมื่อราคะปราดไปแล้ว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 เมื่อโทสะปราดไปแล้วโมหะปราดไปแล้วกิเลสปราดไปแล้วท่านไม่ยอมรับว่าหมดกิเลสใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอริยบุคคลเมื่อราคะปราดไปแล้วท่านยอมรับว่าปราศจากราคะใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระอริยบุคคล เมื่อความไม่รู้ปราดไปแล้วเมื่อจิตที่วิปยุตจากยานเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามียานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอริยบุคคลเมื่อโทสะปราดไปแล้วเมื่อโมหะปราดไปแล้วเมื่อกิเลสปราดไปแล้วท่านยอมรับว่าหมดกิเลสใช่ไหมปรวาทีใช่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 ักวาธีใช่ปรวาธีชื่อว่ามีญาณด้วยญาณที่เป็นอดีตชื่อว่ามีญาณด้วยญาณที่ดับไปแล้วปราดไปแล้วระงับไปแล้วใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นญาณกถาจบ 5. ้าญาณังจิตตวิปยตุตันติกถาหนึ่งสิบ ว่าด้วยยานวิปปยุตจากจิตหกร้อสกสกวาทียานวิปปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียานวิปปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ปัญญาปัญญินสีปัญญาภะสมาธิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิปยุจจากจิตใช่ไหมเปรัวาะทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวะทีปัญญาปัญญินสีปัญญาภะสมาธิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมปยุจด้วยจิตใช่ไหมเปรัวาะทีใช่สักวาที ยานสัมปยุตได้จ mm ิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียานวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานนับเนื่องในขันไหนปรวาทีนับเนื่องในสังขารขันสกวาทีสังขารขันวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสังขารขัน วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาขันสัญญาขันวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียานับเนื่องในสังขารขันแต่วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัญญานับเรื่องในสังขารขันแต่วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีปัญญานับเรื่องในสังขารขันสัมปยุทธ์ด้วยจิตใช่ไหมประวาทีใช่สกกวาทีญาณนับเรื่องในสังขารขันสัมปยุทธ์ด้วยจิตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีญาณนับเรื่องในสังขารขันแต่วิปยุทธจากจิตปัญญานับเรื่องในสังขารขันและสัมปยุทธ์ด้วยจิตใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีสังขารขันส่วนหนึ่งสัมปยุทธ์ด้จิตอีกส่วนหนึ่งวิปปยุทธจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสังขารขัน er. ส่วนหนึ่งสัมปยุทธ์ด้จิตอีกส่วนหนึ่งวิปปยุทธจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาขันสัญญาขันส่วนหนึ่งสัมปยุทธ์ด้จิต อีกส่วนหนึ่งวิปยุตจากจิตใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกรปราวาทีท่านไม่ยอมรับว่ายานวิปยุตจากจิตใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีราาทพระอระหันตผู้พรั่งพร้อมด้วยจกักรวิญญาณท่านยอมรับว่ามียานใช่ไหมสกวาทีใช่ ประวาทียานสัมปยุตได้จิตนั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีดังนั้นยานจึงวิปยุตจากจิตประวาทีพระอราหันผู้พรั่งพร้อมด้วยจกักขวิญญาณท่านยอมรับว่ามีปัญญาใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปัญญาสัมปยุตด้วยจิตนั้นใช่ไหม สกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นปัญญาจึงวิปปยุตจากจิตญาณังจิตตวิปปยุตตันติกถาจบ 6. กอิทังทุกขันติกถา1นึ่งเดว่าด้วยการเปล่งวาจาว่านี้ทุกขกร้อสกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกข ยานว่านี้ทุกขจึงดำเนินไปใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกขสมุทยัยยานว่านี้ทุกขสมุทยัยจึงดำเนินไปใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกข์ยานว่านี้ทุก จึงดาเนินไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านิทุกขคณีโรดยานว่านิทุกขคณีโรดจึงดําเนินไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านิทุกข์ยานว่านีิทุกข์จึงดําเนินไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที เมื่อเปล่งวาจาว่านี้มักยานว่านี้มักจึงดำเนินไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านี้สมุทัยแต่ยานว่านี้สมุทัยไม่ดำเนินไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกแต่ยานว่าน้ทุกไม่ดำเนินไปใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านีนิโรธเมื่อเปล่งวาจาว่านีมักแต่ยานว่านีมักไม่ดำเนินไปใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านีทุกข์แต่ยานว่าน ouais ีทุกข์ไม่ดำเนินไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ยานว่านี้ทุก์จึงดำเนินไปใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทวาวาาีเมื่อเปล่งวาจาว่าเวทนาไม่เทียงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เทียงยานว่าวิญญาณไม่เทียงจึงดำเนินไปใช่ไหมประวัี่ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุก์ยานว่านี้ทุกจึงดำเนินไปใช่ไหม ปร谢谢วาทีใช่ักกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่ารูปเป็นอนัตตายาณว่ารูปเป็นอนัตตาจึงดําเนินไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกข์ยานว่านี้ทุกข์จึงดําเนินไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่า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 ไม่ดําเนินไปใช่ไหมปารวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่าเวทนาไม่เทียงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เทียงแต่ยานว่าวิญญาณไม่เทียงไม่ดําเนินไปใช่ไหมปารวาทีใช่สกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านิทุกข์แต่ยานว่านิทุกข์ไม่ดําเนินไปใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่ารูปเป็นอนัตตาแต่ยานว่ารูปเป็นอนัตตาไม่ดำเนินไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกข์แต่ยานว่านี้ทุกข์ไม่ดำเนินไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่า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 เมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกข์ยานว่านี้ทุกข์จึงดําเนินไปใช่ไหมประวาทีใช่จักกวาทียานว่าอิว่าทางว่าทุและว่าขังจึงดําเนินไปใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอิทางทุกขันติกถาจบ7 อิทธิพลกถา1 1ึรว่าด้วยกำลังฤทธิห6ร1สิบกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีอายุนั้นสำเร็จได้ด้วยฤทธิคตินั้นสาเร็จได้ด้วยฤทธิการได้อัตภาพนั้นก็สำเร็จได้ด้วยฤทธิใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พรังพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับที่เป็นอดีตตลอดกับที่เป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พรังพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดารงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหม ปราวาทีใช่สกาวาทีพึงดำรงอยู่ได้ตลอดสองสสี่กับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พรังพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดอกับใช่ไหมปราวาทีาาาาทใช่สกวา ท, าวาทีเมื่อยังมีอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่ หรือว่าเららมื่อหมดอายุก็ดำรงอยู่เ <trade> ท่าที่อายุยังเหลืออยู่ปราวาทิเมื่อยังมีอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่ได้สกาวาทิหากเมื่อยังมีอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้พลั้งพร้อมด้วยกําลังริดพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับเมื่อยัง มีอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่หรือว่าเมื่อหมดอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่ประวาทีเมื okay. being, <Rahmen Twenty> ่อหมดอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่สักวาทีบุคคลที่ตายแล้วพึงดำรงอยู่ได้หรือว่าบุคคลที่ทํากาละแล้วพึงดำรงอยู่ได้ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 622สกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปร า, วารวาทีใช่สกวาทีบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่าภัตตาที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปเลยใช่ไหมปรารวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่าเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปเลย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 ใช่ักวาทีบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่ารูปจงเป็นของเที่ยงใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่าเวทนาจงเป็นของเที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณจงเป็นของเที่ยงใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกาลังฤทธิ พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่าได้เกิดเลยใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาจะได้แก่เลย สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าได้เจ็บเลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่าได้ตายเลยใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น6 23ปราวาทีท่นานไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกําลังริษพึงดํารงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปราวาที พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนทิบาศีอันผู้ใดผู้หนึ่งได้เจริญทําให้มากทําให้เป็นดุดยานทําให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมัน่นตั้งสมปรารภดีแล้วผู้นั้นเมื่อมุ่งหวังพึงดํารงอยู่ตลอดหนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาที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 ไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาว่าไม่เจ็บ 3. ไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าไม่ตาย 4. ไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหม หรือใครๆในโลกที่จะประกันผลแห่งกรรมชั่วที่เศร้าหมองให้เกิดในพบใหม่มีทุกข์เป็นกําไรมีทุกเป็นผลมีชาชราและมรณะต่อไปว่าไม่บังเกิดภิกษุทั้งหลายไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆในโลกที่จะประกันทำสี่ประการ น, นี้แลมีอยู่จริงไม่ใช่หรือ ประวาทีใช่ส ก, กวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับอิทธิพลกถาจบ 8. สมาธิกถา113ว่าด้วยสม า, สกกาธิ625้สหกวาทีความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมประวาที ใช่สักวาทีความสืบต่อแห่งจิตที่เป็นอดีตเป็นสมาธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีความสืบต่อแห่งจิตที่เป็นอนาคตเป็นสมาธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหม ปราวาทีใช่สกวาทีอดีตดับไปแล้วอนาคตก็ยังไม่เกิดมิเทศหรือปราวาทีใช่สกวาทีหากอดีตดับไปแล้วอนาคตก็ยังไม่เกิดท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิ6กร้อยยีปราวาทีสมาธิเป็นไปชั่วขณะจิตเดียวใช่ไหมสกวาทีใช่ ประวาทีบ anyway ุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักรวิญญาณเป็นผู้เข้าสมาบัตใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยโสตวิญญาณพรั่งพร้อมด้วยคาณวิญญาณพรั่งพร้อมด้วยชิวหาวิญญาณพรั่งพร้อมด้วยกายวิญญาณพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอกุศลพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สหรคตด้วยราคะ พร่างพร้อมด้วยจิตที่สหรคตด้วยโทสะพร่างพร้อมด้วยจิตที่สหรคตด้วยโมหะพร่างพร้อมด้วยจิตที่สหรคตด้วยอนุตตะปะเป็นผู้เข้าสมาบัติใช่ไหมักาวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมปรวาทีใช่ักาวาทีความสืบต่อแห่งจิตที่เป็นอกุศลเป็นสมาธิใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสืบต่อแห่งจิตที่สหรคต ด, ด้วยราคะที่สหรคต ด, ด้วยโทสะที่สหรคตด้วยโมหะที่สหรคตด้วยอนตุตตะปะเป็นสมาธิใช่ไหมปรว า, าทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปราวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมสกวาทีใช่ ปราวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่านิครนเราไม่เคลื่อนไหวกายไม่พูดสามารถเสวยสุขโดยส่วนเดียวตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปราวาทีดังนั้นความสืบต่อแห่งจิตจึงเป็นสมาธิสมาธิกถาจบ9 ธรรมทิตะตากถาหนึ่งว่าด้วยความตั้งอยู่แห่งสภาวธรรม6กรยยี่สกวาทีความตั้งอยู่แห่งสภาวธรรมเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งสภาวธรรมนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งสภาวธรรมนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีความตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาธาปรินิ พ, พานก็ไม่มี แก่ความตั้งอยู trading trading ่แห่งความตั้งอยู่แห่งสภาวะธรรมทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความตั้งอยู่แห่งรูปเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งรูปนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งรูปนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีการทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตฐไม่มีอนุปาทาปรินิพานก็ไม่มีแก่ความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งรูปทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาที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 ธรรมทิตตะตากถาจบ10อนิจจตากถาหนึว่าด้ยวยความไม่เที่ยงหกรยยี่สิบกวาทีความไม่เที่ยงเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตฏะไม่มีอนุปาทาปรินิพานก็ไม่มีแก่ความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีความแก่เป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีความแก่แห่งความแก่นั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีความแก่แห่งความแก่นั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีการทำที่สุดแห่งทุกไม่มี การตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพานก็ไม่มีแก่ความแก่แห่งความแก่ทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีความตายเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมประวาทีใช่สักกวาทีความตายแห่งความตายนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีความตายแห่งความตายนั้นเป็นสภาวะสําเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีการทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตฏะไม่มีอนุปาธาปรินิพานก็ไม่มีแก่ความตายแห่งความตายทั้งสองชั้นดังกล่าวมาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น6กพอยี่สิ สก wow um ักวาทีรูปเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความไม่เ <announcements> ท <for ential variability> ี่ยงแห่งรูปมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีความไม่เที่ยงเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแก่แห่งรูปมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ สกワทีความแก่เป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแก่แห่งความแก่มีอยู่ใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาทีรูปเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแตกสลายความอันตรธานไปแห่งรูปมีอยู่ใช่ไหมประวาทิใช่ักาทีความตายเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแตกสลาย ความอันตรทานไปแห่งความตายมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีความไม่เที่ยงเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงมีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีวิญญาณเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแก่แห่งวิญญาณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีความแก่เป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแก่แห่งความแก่มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีวิญญาณเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแตกสลาย ความอันตรทานไปแห่งวิญญาณมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่ั ก, กวาทีความตายเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแตกสลายความอันตรธานไปแห่งความตายมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอณิจจตากถาจบเอกาทัศมวตรตจบ รวมคาถาที่มีในวัคนี้คือ 1-3 ติดโสปิอนุสยากถา 4. ยานกถา 5. ายานังจิตตวิปยุตตันติกถา 6. อิทังทุกขันติกถา 7. อิทธิภลรกถา 8. สมาธิกถา 9. ธรรมัติตตากถา 10. อนิจจตากถา